ในการพัฒนาเดินหน้าอย่างมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม RMUTT Moving Towards Innovative University มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์นวัตรกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการไมค์คอมพิวเตอร์นะคะดาริสาตระกูลเง็กพร้อมด้วยคุณปีพงศ์เคนทาวายค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเจอกันในช่วงเวลานี้นะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องต้องปรับไมค์นิดนึงมาสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังอาจจะสูงไปหน่อยนะเมื่อกี้ยืดคอเลยไมค์สูงนะเราต้องปรับไมค์นะคุณผู้ฟังเพราะว่าอยู่นอกสถานที่นะคะตอนนี้อัดแป๊บนึนนงน ะ, นะค่ะอ่ะโอเคมาละค่ะ อตอนนี้นะคะเราก็มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันเช่นเคยนะคะข่าวล่ามาแรงร้อนมากๆเมื่อประมาณวัน พุธ ท, ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทางในโลกของไอทีกันบ้างใช่เฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์นะคะระ ง, งับสองแสนบัญชีค่ะหลังพบว่าคือมันมันเกี่ยวกับการเมืองทางจีนและฮ่องกลงนิดหนึงอ๋อนะฮะไปพูด พ, พาดพิงคือมาสมัครแอคเคาท์นอกประเทศอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการนำเสนอข่าวสารที่เ อ, เอาข่าวสารจากประเทศเดนมาโพสต์มาโพสต์ม <จง S 2> อ, อะไรอย่างนี้นะโจมตีม็อบอะไรอย่างนี้ค่ะคุณทางทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กเขาก็เลยประกาศระ ง, งับบัญชีเขาไม่มีการตรวจสอบจากการลิสต์เนี่ยแหละ นะคะแลักก็200 000บัญชนนเนยีหลังตรวจสอบพบว่าบัญชีผู้ใช้ตั้งกล่าวมีทางการจีนอยู่เมื่องหลังจริงๆ athletes in Beach butica แล้วก็มีการผ่ว iquer เผ็ดแพพ่ข้อมูลการประทวงของห้ ång กลงพยายามสร้างอิทธิธลต่อการประทวงให้มากขึ้นเหมือนปุก ป, ปั่น achsen ทางการเมือ ง, ของทางของเขาเอง ikenheit ลวมไปถึงการผ่ว gang สแปมต่างๆที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอคือมันจะขึ้นมาเองมันเป็นสแปมนะคะแล้วก็มีการปิดบัญชีไปหลายบัญชีเหมือนกันนะคะทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์ด้วยเพราะว่าอาจจะมีการเข้าถึงของจีนคือคือจริงๆเนี่ยของจีนเข้าถึงพวกอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนะ VPN ใช่ไหมก็ต้องต้องเปลี่ยนถึงจะเข้าได้ถึงสมัครได้อะไรอย่างเงี้ย ค, ค่ะขุนเขาก็เลยโอ้โห เป็นที่โจดจานกันมากมากนะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นแท็กทวิตเตอร์ที่ขึ้นว่าถูกละงับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็กลายเป็นถูกละงับไปด้วยไงคนหนึ่งมีประมาณสามแอคเคาท์เหมือนแบบแอคเคาท์ขายของอันหนึ่งแอคเคาท์ธรรมดาคนอะไรอย่างเงี้ยบางบางที่เขาก็แบบหายไปสองแอคเคาท์เลยเหลือแอคเคาท์เดียวประมาณโดนระงับกันไปใช่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะในการตรวจสอบซึ่งบ้านเราไม่ใช่แค่ว่าจีนอย่างเดียวเนี่ยคนที่ มีแอคเคาน์อยู่แล้วผมว่าก่อนคนไม่ต้องบอกก่อนหน้านี้เฟซบุ๊กเขาให้เปลี่ยนชื่อไม่บางคนก็คือว่ามีแอคเคาน์แล้วจำรหัสไม่ได้เข้าไม่ได้แล้วก็สมัครใหม่ไปเรื่อยสมัครสมัครไปเยอะก็กลายเป็นมียูเซอร์เพิ่มขึ้นมาอีกแต่บางทีตัวที่เราเข้าไม่ได้เนี่ยมันไม่ไม่มีความเคลื่อนไหวเขาก็ระงับการใช้งานไปเขาเหมือนเขาแจ้งมาก่อนหน้านี้นะว่าถ้าคุณไม่มีการเปลี่ยนเคลื่อนไหว เออไม่เข้าไปสร้างการมีแอคทิวิตี้นิดนึงก็จะแบบถูกระงับถูกลบกันไปอ่ะก็ถือว่าตรวจสอบแล้วกันถ้าคุณยังใช้งานอยู่เอ้ยฉันยังใช้งานอยู่นะฉันจะเป็นตัวตนจริงๆไม่ได้มีผลอะไรก็แจ้งร้องขอกันไปเพราะว่า ถ้าในบ้านเราเนี่ยก็จะมีทางเฟซบุ๊กทางอะไรเงี้ยทางอะไรเงี้ยเขาสามารถตรวจสอบได้อยู่น ะ, อะในบ้านเราเพราะจริงๆเคยเจอนะอมอมในในในในในช่วงหนึ่งที่เพจหลักเนี่ยเราเรามีมีมีเรียกว่ามีครอบ แจ้งมาเออนิดนึง <laughs> แล้วเราก็โอ้โห ต, องต้องใช้ทีมงานในการตรวจสอบ <laughs> แล้วก็ยืนยนันแต่เราเป็นหน่วยงานราชการนะเราก็ต้องแบบมีเอกสารยืนยันตัวตนนิดนึงแต่ถ้าบุคคลทั่วไปเนี่ยเราก็ยืนยันตัวตนเลยว่าเราเป็นเจ้าของใช่อย่างกรณีของทวิตเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีคนอบอกว่าวิธีการแก้บัญชีถูกละงับให้เรายืนยันตัวตนสองช่องทางด้วยกันก็คืออ、e、ีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ยืนยันสองอะไรนะไม่ใช่แค่ไม่แต่ว่าตอนที่เราสมัครครั้งแรกเขาให้ยืนยันไม่เราต้องกรอกให้มันครบ ไม่ใช่หชเหรอก็ต้องมีให้ครบก่อนตอนกรอกครั้งแรกสามารถยืนยันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาตรวจสอบแล้วเรายืนยันแค่อีเมลเนี่ยจะมีสิทธิ์โดนระงับมากกว่ายืนยันเป็นเบอร์และอีเมลอมเอ อ, เ อ, อก็ไปเพิ่มเติม ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่น่าจะเอาไปเผยแพร่ไงเออเหมือนแบบต้องให้ไปจะไม่มีอะไรมากกว่านั้นเราเขาคงไม่โทรหาเราใช่เนาะคงคงไม่เป็นไรมั้งเบอร์โทรศัพท์เนาะมีเมลก็แค่แบบบางทีเราเป็นสแปมมาแล้วก็ตรวจสอบไปบางทีก็ลบไปใช่ค่ะเอาแจ้งกันนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละนะคะเป็นที่พูดถึงนอกจากการลบของทางทวิตเตอร์นะอ๋อไมโครซอฟท์เองก็มีข่าวนี้ออกมาเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่า บัญชีไมโครซอฟท์อาจจะถูกลบหากไม่ล็อกอินเข้าใช้งานเกินสองปีมผมว่ามีหลายท่านเพราะเปลี่ยนค่าย เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอาอันนี้ใช้ยากอะไม่ใช่ไงเปลี่ยนค่ายเพราะว่าคุณมาใช้แอนดรอยด์อ๋อใช่คือเราต้องจำเป็นจำเป็นจำเป็นจะต้องบังคับเลือกบังคับเออเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้จะแบบเอ้ยไม่ได้ต้องแบบใช้แบบเจ้าอื่นอะไรเงี้ยนะฮะเอ้าไมโครซอฟต์เองนะครับหรือไมโครซอฟต์แอคเคานต์คือบัญชีเดียวกันกับการที่ใช้บนวินโดว์10ค่ะหรือบัญชีฮอตเมลเอ็มเอสแอนด์เอาลูค์ดอทคอม Windows Live dot com ไอ้ Windows Live เนี่ยผมจำได้เพิ่งมาหลังๆเองนะเขาเปลี่ยนจากไอ้ MSN อุ๊ยเก่ามากอะไอ้ Outlook เนี่ยก็เพิ่งมาอะใช่ไอ้ไอ้ที่ตัวแรกๆเนี่ยก็จะเป็น Hotmail นะใครใช้ Hotmail อยู่ก็โอ้ยคือมันก็คือบ่งตัวตัวเดียวกันจริงๆมันเป็นตัวเดียวกันเหมือนการแค่เพิ่มแอดเขามากยิ่งขึ้นนะฮะก็บอกว่าคนไหนที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานต้องรีบคิดไว้นะฮะอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะ ทางไมโครซอฟต์เองเขากำหนดนโยบายตัวนี้ออกมาเขาบอกว่า、mm. บัญชีจะถูกลบอัตโนมัติหากไม่ไดล็อกอินใช้งาน2ปี 2>、mm. นับแต่ล็อกอินครั้งสุดท้ายดังนั้นใครที่ใช้งานบัญชีไมโครซอฟต์ต่อไปต้องล็อกอินอย่างน้อย1ครั้งในช่วง2ปีเพื่อคงสถานะใช้บัญชีไมโครซอฟต์ต่อไปจากเงื่อนไขนโยบายดังกล่าวเนี่ย、mm. ก็จะมีข้อยกเวน้นอย่างเช่นหากกรณีไม่ได้ล็อกอิน อ, อย่างน้อย1ครั้งใน2ปีคือ เป็นบัญชีที่สถานะแอคทีฟในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือเป็นสมาชิกบริการของไมโครซอฟท์ก็คื อ, อใช้อยู่แล้วอันนี้ไม่ไม่ถูกเป็นบัญชีเดเวลอปเปอร์อัพโหลดแอพขึ้นไมโครซอฟท์สโตร์แล้วก็เป็นบัญชีที่ได้รับการเซอร์ติฟิเคชันคือรับร อ, องแล้วนะ่ะจากไมโครซอฟท์มีเงินค้างบัญชออีอันนี้ก็ยังไม่ต้องอันนี้ก็จะไม่ถูกลบบัญชีนะฮะ เป็นบัญชีเด็กเยาวชนที่สร้างด้วย Microsoft Family รายละเอียดเพิ่มเติมสา ม, มารถอ่านได้ที่ลิงก์นะครับเขา Microsoft เองเขาก็จะมีผลด้วยเช่นในการอ่ะมีผล31สิงหาคมนี้นะครับค่ะก็ต้องมีความเคลื่อนไหวนิดนึงให้เป็นแบบ active นิดนึงอย่างที่บอกนะว่าเหมือนเหมือนโซเชียลที่เราบอกไปทั้ง Twitter และ Facebook ถ้าคุณไม่เล่นมันไม่มีความเคลื่อนไหวเขาอาจจะแบบคิดว่ามันเป็น spam หรืออะไรก็ได้ไง สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรหรือเปล่าวัตถุประสงค์อื่นหรือเปล่ า, อาลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่แต่คนหที่ใช้ Microsoft เองเนี่ยก็จะมีคือสมัยก่อนเนี่ยวินโด้มไม่ได้บังครับใช่ไม่ได้บังครับในการล็อกอินเข้าเครื่องอ่าแต่พอยุคหลังๆเองแต่วินโด้แปดวินโด้แปดจุดหนึ่งมาวินโด้สิบเขาจะมีให้ล็อกอินต้องต้องบังครับลง ถ้าคุณไม่ล็อกอินถ้าคุณไม่ล็อกอินอีเมลอะเครื่องจะไม่ทำงานก็เข้าหน้าเดสก์ท็อปไม่ได้ใช่คือคุณต้องสเตตอารมณ์แบบคุณใช้มือถือแอนดรอยด์ก็ใช้ไปสิแต่คุณใช้ระบบปฏิบัติการในเดสก์ท็อปคือวินโดว์อะวินโดน่ะคุณก็ต้องมีเหมือนกันก็เลยบอกว่าเออนะก็ต้องแบบเป็นเรื่องที่ต้องมาจดจำจดจำสักนิดหนึ่งว่าเราใช้ไอตัวไหนอยู่นะฮะพูดถึงในเรื่องราวของการระงับแอคเคาท์นู่นนี่นั่นยูทเซอร์จะ ปิดจะลบอะไรอย่างนี้ไปแล้วนะคะมาดูในเรื่องของ อ, อ, อันนี้กันบ้าง AR บนมือถื อ, อนะคะเขามีเลโก้ Hidden Sight ที่เป็นตัวต่อเลโก้ที่แสดงเป็น AR ออกมาคือความหมายอย่างนี้ประมาณมว่าปกติเลโก้เนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นตัวอาถ้าเราเห็นจะมีแค่ตัวตัวที่ใช้ต่อคะเพื่อเป็นรูปล่างหน้าตาแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นรูปคนรูปต้นไม้รูปอะไร ท, ที่เสริมเข้ามาเอาเอาเอาแบบแบบ ง, ง่ายเห็นชัดๆนั่นเป็นแบบแบล็กอะไรเงี้ยตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเป็นคนอ ะ, อะไรอย่างนี้นะเอ อ, อมันก็จะแบบยังพอมีนะแต่ถ้าแบบตอนนี้คือเขาปรับใหม่และใช่ใช้ระบบเสมือนจริงเข้ามาคือแบบว่านำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะ คือเลโก้ฮิดเด้นไซต์ตัวนี้นะเขาเป็นชุดตัวต่อชุดใหม่ล่าสุดนะคะอันนี้พร้อมด้วยเทคโนโลยี AR สร้างโลกเหนือจินตนาการที่ไม่สามารถเห็นบนโลกความจริงได้แต่ว่าอาจจะเห็นผ่านสมาร์ทโฟนนี่แหละนะคะล่าสุดมีการเริ่มขายในต่างประเทศแล้วด้วยแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีจำหน่ายที่ร้านขายของเล่นชั้นหนำทั่วโลกรวมไปถึงแอปเปิลสโตร์นะคะที่จะนำเลโก้ชุดนี้นี่แหละไปเสริมสร้างทักษะ เออาร์ให้กับเด็กๆคือณตอนนี้เนี่ยทุกคนเด็กๆทุกคนเนี่ยจับมือถือเล่นกันเป็นว่าเล่นเลยบางทีเนี่ยเด็กๆตัวเล็กๆเลยนะประถมอะไรเงี้ยเขาก็เล่นกองเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในมือถือเนาะเขาก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะเนี่ยเขาเลยเอาตัวเลโก้ฮิดเด้นไซต์ตัวเนี้ยเข้าไปอยู่ในมือถือซะเลยเผื่อจะให้พ่อแม่เนี่ยโหลดขึ้นมาเพื่อจะให้ลูกเนี่ยเป็นต่อเลโก้ที่มันเป็นเสมือนจริงเออาร์、AI、ขึ้นมา นะคะและความแตกต่างของชุดเลโก้เลโก้ตัวนี้กับต่างจากตัวอื่นก็คือเมื่อต่อเสร็จแล้วคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเลโก้ฮิดเด้นไซต์อันนี้นะคะบนมือถือหรือว่าแท็บเล็ตก็จะใช้ได้ทั้งแอนดรอยด์แล้วก็ไอโอเอสด้วยนะแล้วก็นำมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยรันเข้าไปในเลโก้ฮิดเด้นไซต์ตัวนี้ส่องที่ชุดตัวต่อที่คุณสร้างขึ้นมาเอามือถือในเปนี่ยไปส่องปรากฏะจะเป็นปรากฏตัวละครขึ้นมาเหมือนเหมือนเสมือนจริงคล้ายคล้ายกับอะไรนะปิกาจูอ่ะ เออนะคะคือเลโก้ตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถเล่นเกมได้ด้วยแล้วก็ชุดตัวต่อเลโก้ฮีทเทนไซต์ตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกทักษะของเด็กๆนะคะในการสร้างของเล่นเพื่อฝึกทักษะในเรื่องของเทคโนโลยี AR ให้กับเด็กๆได้ด้วยเป็นในอนาคตนะครบอืมคือเขาก็คิดเผื่อในอนาคตสำหรับออเด็ก<ข>อะไรเงี้ย ความอยู่รอดของเลโก้เอ่อคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเลโก้เขาก็พัฒนาหลายตัวล่าสุดเดี๋ยวผมจำได้ผมถ้าไม่ผิดคือน่าจะอยู่รายการนี้เลยรายการคุณรายการออร์เราน่ะเดียวก็บอกว่าเลโก้เองเนี่ยมันจะมีแต่ผู้ชายเขาจะพัฒนาให้เป็นเลโก้มีตัวผู้หญิงด้วยแบบผู้หญิงนั่นได้ไงใช่อันนี้ก็หาทางออกของการต่อยอดธุรกิจนะธุรกิจของเลโก้ตัวต่อให้สำหรับ เด่กๆได้เล่นกัน рост ือจากเดิมเหนื่อยเราก็มีไมาก่ี่เวิ more ชันนาย jamais เขาก็อยากให้เด็ก incident 1991, คือถ้า וד กองพแยกๆเด็กคนไหนได้เล่น LEGO หรือว่าต่อ LEGO มันจะเสริมสร้างในเรื่องของสมาธิเสริมสร้างในเรื่องของจิ้นต้นการณ์อะไรอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มนเลนโทรศพยน hanging Game Door เท� desper 7 ไหนๆก็เล่นโทรศัพท์และ้วเราเอาความรู้อะไรที่มันเป็นเลโก้ที่มาเสริมทักษะเด็กเนี่ยเข้าไปด้วยเผื่อแบบในอนาคตมันจะมีมากกว่านี้ อ, อยู่แล้วนะคะ เ, เด็กจะตื่นตาตื่นใจนะฮะเด็กเขาชอบะ อ, อะไรที่แบบมีในมือถื อ, อเล่นไปด้วยแล้วก็ดูในมือถือไปด้วยใช่<ะ>แต่ก็ต้องดูว่าเขาจะเอาเรื่องไหนเอา จุดอะไรมาขายในคำว่าเอไอเอ้าของเขาเนี่ยนะฮะใช่มันจะมีแบบเป็นเซตสตอรี่นะถ้าวางตรงนี้ตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาแบบไหนอรอติดตามดูนะฮะบ้านเราก็เดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะมาช่วงหน้ามาดูเรื่องราวของการรับจ้างไลค์มเออช่วงนั้นก็มีไอ้นะฟอลโล่กดไลค์กดแชร์อะไรเงี้ยอุ้ยสมัยก่อนเนี่ยเยอะอเพราะว่าซื้อซื้อ อ, อะไรเนี่ย ซื้อกดไลค์กดติดตาม อ, อ, อะไรเงี้ยเยอะแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีผลแล้วไงะใช่มันมีแบบเรื่องของการมองเห็นหนู่นนี่นั่นเพราะ<ฆ>เจ้าของอแพลตฟอร์มเองเขาก็หาทางแก้ <c oughs> โดยการซื้อโฆษณาเขาให้ซื้อโฆษณาไงะแล้วเขาก็ตัดวิธีการบางอย่างออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาา้าวการไลค์ผิดกฎหมายตอนนี้มีหลายเพจดังถูกแอบอ้างด้วยเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาเจอกันนะครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUT Moving Towards Innovative University มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาบรุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลาก่อนและพวกได้สนใจ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 ห้าสี่เก้าสามหกห้าสามเข้าสู่ช่วงนี้นะคะยังคงอยู่กับเรื่องราวของไมค์คอมพิวเตอร์นั่นเองคะ่ะมาดูเรื่องราวนี้กันดีกว่ากดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์อะไรที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่ามีการรับจ้างให้กดไลค์ด้วยนะแบบผิดกฎหมาย คือถ้ากดไลค์แบบรับจ้างอะผิกดกฎหมายแล้วก็มีหลายเพจเนี่ยถูกแอบอ้างด้วยนะคะมีเรื่งองราวอย่างไรมีคนสอบถามเข้ามาทางทีมงานของอ่าแฮชแท็กแบร์ไก่เขาบอกว่าพบคลิปของทางช่องยูทูบอ่าแบร์ไก่เนี่ยถูกนำไปปั่นวิวอมทั้งที่ทางทีมงานเนี่ยไม่เคยใช้บริการใดๆเหล่านี้เลยแล้วก็มีการพบว่าคลิปจากยูทูบดังๆและก็แบรนด์สินค้าดังๆเนี่ยไปปั่นวิวด้วย เขาก็สอบถามไปทางสื่อเหล่านั้นก็ไม่ได้จ้างใครปั่นวิวเช่นกันทางทีมงานเองก็เลยได้สืบต่อว่าบริการปั่นวิวเหล่านี้เนี่ยมาจากใครมาจากที่ไหนเขาพบว่ามาจากเว็บไซต์ชื่อหนึ่งครับ nice review nice นะฮะ nice แปลว่าสวยงามนะฮะ review ก็คือการแบบการบรรยายการให้ข้อมูลการอะไรอย่างเงี้ยแบบการบอกเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เขาบอกว่าทำไมถึงมาอยู่ขั้นนี้ทั้งที่ไม่ได้จ้าง、uh huh. เพราะว่าทางทีมงานอยถูกแอบอ้างนั้นนะตอนนี้มีหลายเพจหรือช่องดังหลายแบรนด์ดังเนี่ยโดนแอบอ้างเป็นจำนวนมากทางทีมงานก็ได้มีการตรวจสอบไปยังเว็บไซต์ตัวนี้แหละฮะ Nice Review แต่เมื่อคนดูจากเพจเฟซบุ๊กกลับเป็นโฆษณาขายของ、uh huh. ซึ่งคาดว่าเป็นของอะไรอื่นที่ถูกนำมาแอบอ้างให้ปั๊มไลค์และก็แชร์ แต่ก็มีคลิกนะฮะวิธีสมัครสมาชิกด้วยนะอมคือความคืบหน้าเนี่ยเริ่มแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนนู้นนะฮะที่ผ่านมาเที่ยงทางดีเอสไอได้มีการออกข่าวว่าการรับจ้างปั๊มไลฟ์เนี่ยผิดกฎหมายและได้ทำการตรวจสอบทางเว็บนี้นิวส์รีวิวแล้วพบว่าต้องมีการสมัครสมาชิกที่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าใช้งานระบบ<ๆ>เพื่อกดไลฟ์กดแชร์ตามที่ได้มอบหมายอันนี้ทีมงานนะค่ ะ, ะคนที่แบบอยากได้เงินเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนแบบลำดับขั้น ก็คือตรงกับคำนิยามว่ากู้ยืมเงินมันอยู่ในพรบอกำกับอากำหนดพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนปี27ที่วรวมถึงการรับสมัครสมาชิกโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้การผู้การกดไลค์กดแชร์และให้ความเห็นหรือคอมเมนต์ไม่ได้เกิดจากความเป็นจริงอาจเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเท็จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพ ร, ะระบอคอมพิวเตอร์นั่นเองอืมก็คือผิดกฎหมายอะค่ะเออถ้าสมมติแบบว่ารับจ้างเอาเป็นแบบแอบอ้างรับจ้างกดไลค์กดแชร์อะไรเงี้ยครับอืม คือส่วนมากก็น่าจะเป็นแบบคอนเทนต์จากเพจดังๆไคส์คลองเออยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆก็อยู่ที่คอนเทนต์มากกว่าแล้วก็เรื่องของจำนวนกดไลค์เองอย่างนี้ไม่ค่อยมีผลละอืมจำได้ว่าเคยพูดถึงเรื่องของการกดถูกใจทวิตเตอร์เรื่องไรเป็นไอจีเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ขึ้นชื่อแล้วนะใช่ไม่ขึ้นยอดแล้วเพราะว่าเหมือนเป็นการแบบบูลลี่กันอะเออแบบไม่ขึ้นชื่อได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะขึ้นเป็น เป็นการดูอ่าเป็นการดูดูกี่ครั้งอะไรเงี้ยอืออือใช่ยอดดูยอดวิวไปซะมีการเข้าถึงไหมอย่างไงนะฮะเอาใครที่จะทำก็มันไม่ถูกต้องอ่ะค่ะบอกแค่นี้แล้วกันเออที่กฎหมายเอ้าแล้วกันว่าจะยังไงนะฮะแต่ทำไปแล้วมันผิดกฎหมายอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวนี้ดีกว่านะคะอาจจะยาวสักนิดนึงเดี๋ยวเราอธิบายก่อนว่าเป็นการเปิดตัวเป็นที่ชื่อว่ายืมไม้ บริการยืมมือถือครั้งแรกในประเทศไทยเปลี่ยนการซื้อไอโฟนเป็นการยืมแทนค่ะคือทางด้าน ย, ยืมแล้วก็เบื่อแล้วก็คืนอย่างเงี้ยแหละใช่เช่าบรรยายนเดือนเอาแบบเช่าอย่างเงี้ยใช่เอาเราเช่าเนาะถ้าพูดอย่างงี้นะเช่ายืมดีกว่าเช่ายืมเช่ายืมนะคะทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยื ม, มไหมประเทศไทยจำกดัดคุณสุทธิกิจกิติพัฒรากุลนะคะแล้วก็บริษัทโกเอลิท ปารีสประเทศไทยจำกัดร่วมมือกันนะคะกับบริษัท HCI Electric จำกัดมหาชนเขาบอกว่าเป็นแบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่ายืมไม้เลยนะภาษาไทยเลยนะคะครับบริการยืมโทรศัพท์มือถือครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของบริษัทยืมไม้ประเทศไทยจำกัดนี่แหละนะคะบอกว่าพฤติกรรมของคนใช้งานโทรศัพท์มือถือทั่วไปเนี่ยคือทั่วโลกแล้วนะคะรวมถึงไทยเองก็เปลี่ยนไปมากโดยใช้โทรศัพท์มือถือนานขึ้น <S <S มากกว่าสองปี คือปกติแต่ก่อนอาจจะแบบโอ้โหฉันซื้อมาปีกว่าๆแล้วฉันก็เออแม่เอาแล้วยืมซื้อใหม่อืมเออพอได้มาเสร็จปุ๊บอ้าวขายขายซื้อใหม่ค่ะบางส่วน <c oughs> บอกว่าไม่ได้ขายนะ <c oughs> ก็ยังเอาไว้เหมือนเดิมอยู่ <c oughs> ก็ไว้อย่างนั้นก็บางบางทีเนี่ยเขาก็เลยดูจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเอานะคะว่าโทรศัพท์เนี่ยก็ใช้นานขึ้นมากกว่าสองมากกว่าสองปีหมายความว่าแบบโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกมาเราก็ยังไม่ซื้อไงอืมครับเราก็รอไอ้ผ่านไปก่อนคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ออกทีแล้วเกิน นะคะบ า, งบางท่านแบบอุ่นไม่ไหวจริงอะ Kadin Keira บางทร่ายนก็เป็น implied บ า, า, างยนทรส่าน compte math มือท ưới รます nosaur kaipat ราคาทร中 at du webagapgan, ความเป็น lepas Ugh wurde ksông.дж he is lo American. ปก่กขอนและ she has 的 una chartenote za Mana 카드 2, 440,000 แบบ Dan Ks Over Sonra 작 File price. K Jeep em concup begins toerta 或者 GAكون what the terazа a bit more to the higher cost gucken areен as a 50s,000 ke Docent number of years. undenniaires are Altered from the hip hop. Kimumbar trials and kaufen Code 느� test as think of micro procs.d なく to be changes a large price. von motorcycle hasn't remains at the cost ran บางรุ่นอย่างเช่นรุ่นที่ออกทีทีอะไรเงนี้ยคุณ<ล>คราคาจะตามต่ำเนาะนะคะดังนั้นบริการยืมโทระศรัพท์มือถือแบบนี้นะคะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้ตรงจุดมีการคาดการณ์ว่าไอ้ตัวยืมไม้เนี่ย จะได้รับความนิยมและก็เป็นทางเลือกใหม่ในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถืออันดับหนึ่งในไม่ช้าด้วยออเขาก็ตั้งเป้าไว่าเขามีสัญญาด้วยนะคุณผู้ฟังสัญญาเขานี่คือ365วันหนึ่งปีคะหรือ12เดือนอราคาเริ่มต้น30บาทต่อวันหรือประมาณ 9,000 บาทไอ้900บาทต่อเดือนอ มีค่ามัดจำด้วยนะห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้มไม่แน่ใจว่าคิดจากอะไรเป็นตัวเลขห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทคะพร้อมฟรีค่าโทรและค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนอจึงทำให้คุ้มค่ากว่าการซื้อนะส่วนค่ามัดจำจะได้รับคืนเมื่อหลังคืนเครื่องไม่เกินเจ็ดวันหรือใช้เป็นค่ามัดจำในการยืมเครื่องรุ่นใหม่ในปีถัดไปได้ด้วย อ, อัตราค่ายืมโทรศัพท์ในตอนนี้จากเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกงี้นะฮะถ้าเป็นไอโฟนรุ่น X Max อาใหม่เลย เ, ออเดือนละสองพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะฮะ XR พันสี่ร้อยเข้ากับว่าพันห้านะ、uh, iPhone แปด plus อยู่ที่พันสี่ร้อยแล้วก็เจ็ด plus อยู่ที่เก้าร้อยบาทกลุ่มเป้าหมายเขาก็อยากให้กลุ่มนักคนรุ่นใหม่นี่แหละนะักศึกษาพนักงานออฟฟิศ ผู้ที่อยากหาช่องทางการใช้สมาร์ทโฟนรวมถึงองค์กรณที่ต้องการใช้มือถือในธุรกิจหรือสวัสดิการพนักงานก็ทำแบบยืมซะไม่ต้องซื้อแบบทีเดียว เ, เพราะการซื้อเนี่ยมันจะมีทั้งค่าโทรค่าเน็ตค่าอะไรต่างๆมากมายค่าใส่ลวงนหน้าเป็นคนมีค่าออ <c oughs> คือต้องใส่ลวงหน้าสามเดือนค่าใช้บริการคุณต้องใช้แพ็กเกจของเราด้วยนะคะถึงจะได้ส่วนลดแล้วเราต้องเท่าไหร่อะไรยังไงอู้เยอะอ่ะเป็นปรากฏการณ์ใหม่รู้ฟังฮะ เขาบอกว่าบนความร่วมมือของผู้นำธุรกิจระดับประเทศห้าบริษัทในแต่ละอุตสาหกรรมภายใต้โมเดล、e、อีโคซิสเต็มบิสเนสด้วยการรวมสินค้าและบริการต่างๆที่เชื่อมโยงและก็สัมพันธ์กันสู่บริการที่พร้อมส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคตั้งแต่ต้นจนจบอา้าวก็ลองดูนะฮะยืมเนี่ยฮะหมุนแกยืมไม่เนี่ยนะเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าสมาร์ทกว่านะฮะก็ลองดูนะฮะว่า จะตอบโจทย์การทำ ง, งานของเราหรือเปล่า <Ừ. S 2> หรืออย่างไร<ะ>เพราะมันก็จะมีหลายส่วนน้ำมันที่มันก็ต้องมีเงื่อนไขที่เพิ่มฟังนะไม่ใช่<ะ>ว่าอยู่ดีๆไปใช้ทยเลยคืออย่างที่เราบอกเครื่องอกตกหรือเปล่าเป็นรอยไหมมีค่าปรับไหมค่าคืนยกเลิกก่อนเสียตังเท่าไหร่เปลี่ยนมูเวชันได้ไหมคือที่แจ้งไปเบื้องต้นเนี่ยสัญญาเช่าสิบสองเดือน<ะ>หรือว่าสามร้อยหกสิบห้าวันด้วยราคา ต่อวันก็สามสิบบาทประมาณเก้าร้อยบาทต่อเดือนแต่จริงถ้าแบบรุ่นแพงหน่อยก็อาจจะสูงขึ้นนะเออคืออันนี้อาจจะเป็นเบื้องต้นแต่ว่าอาจจะมีอย่างอื่นอีกนะคือถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยสมมติว่าตกเดือนละเก้าร้อยใช่ไหมครับบวกค่ามาจําอีกห้าร้อยกว่าบาทเก้าร้อยห้าร้อยพันสี่พันสี่อ่ะพันสี่ในเดือนแรกเดือนต่อไปเท่าไหร่อะไรนี้ไหมก็เดือนต่อไปก็จ่ายเท่าที่เท่าที่ใช้เท่าที่ใช้ก็สมมติเก้าร้อยก็เก้าร้อยไปนะครับ ก็ทำมาให้ประหยัดนะถ้าบอกตรงตรงคือทำให้ประหยัดใช่ไม่ต้องควักเงินแบบหลายหมื่นอ่ะคือบางคนอาจจะแบบแค่แค่อยากแบบใช้รุ่นใ น, นี้หรื อ, อมไม่ก็มาเดินทางไปแต่ว่าลืมเอาโทรศัพท์ไปอ ะ, อะไรเงี้ยก็สามารถได้ยืมยืมไหมอะ่เนี่ยไปดูเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคะที่แอปพลิเคชันยืมไหม้นี่แหละนะคะทั้งไอโอเอสแล้วก็แอนดรอยด์นะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะคอร์เซ็นเตอร์ของเขาศูนย์สองเก้าเจ็ดห้าห้าเก้าแปดแปด เว็บไซต์ที่ชื่อว่ายืมไม้ .com ขออนุญาติสะโกดเลย Y U E M M A I ดอตคอมนั่นเองค่ะเพจเฟ็ตบูกยืมไม้ภาษาไทยเลยคนะคะดูกันได้อื ม, อ, มอ้าวลองใช้ดูมันเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ใช่กลุ่มถ้ามองจริงๆถ้าทำมอมองเรื่องของการทำธุรกิจตามแบบกลุ่ม Startup นะคือเรื่องของการอเอาจุดที่มันเป็นจุดช่องว่าง จริงๆอะพออ่านแอปพลิเคชันยืมไม้ยืมโทรศัพท์มือถือเนี่ยนึกถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวว่าแบบอ่าเขามาแล้วเขาไปยืมโทรศัพท์ไปใช้อะไรเงี้ยเขาก็คิดรายวันรายอะไรต่อไปแล้วแต่จะสูงหรือเปล่าประจันจะสูงอยู่นะก็แทนที่จะซื้อซิมก็ยืมโทรศัพท์ไปเลยก็เป็นไอ้น้ำบริการที่เอามาตอบโจทย์ละกันต้องบอกอย่างนี้นะฮะอ่าใครที่อยากจะได้เป็นของตัวเองค่ะก็ก็ลองดูก็ซื้อซะแต่ข้าเขาบอกว่าเอ้ย ยังไม่พร้อมอ่ะแต่อยากจะลองเปลี่ยนมาทดลองใช้คือมันอาจจะสะดวกสมรักการที่คือเปลี่ยนมันลองใช้แค่ลองก่อนว่าใช้แล้วสะดวกไห ม, ต, มตอบโจทย์เราหรือเปล่าข้อให้ปีหนึ่งอ่ะนะ หมายถึงว่ายืมปีหนึ่งอย่างเงี้ยสัญญาสิบสองเดือนที่เราบอกนะอืมอืมอืมมันจะได้คุ้มกว่าปีหนึ่งแต่ว่าเขาคิดรายเดือนเหมือนเราจ่ายค่าโทรศัพท์รายเดือนใช่ใช่ใช่คุณฟังลองไปสอบถามกันดูละกันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะมาแนะนำในเรื่องของแอปพลิเคชันตัวใหม่ยืมไม้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละค่ะอปปิทายอันนี้ดีกว่าเฟซบุ๊กเตรียมเพิ่มคำว่าฟอร์มเฟซบุ๊กต่อท้ายชื่ออินสตาแกรมแล้วก็วอตแอบเพิ่มเติม นะคะอินสตาแกรมแล้วก็วอตแอบอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ในเฟซบุ๊กนั่นแหละเจ้าของเดียวกันนะคะแต่ว่าการสื่อสารแบรนด์ต่างๆทั้งอินสตาแกรมวอตแอบเนี่ยเป็นอิสระมากกว่าเหมือนตัดขาดจากเฟซบุ๊กแต่จริงๆแล้วในเรื่องของอินสตาแกรมเองเนี่ยเวลาอัปรูปเนี่ยเขาก็ยังสามารถเชื่อมกับเฟซบุ๊กได้อยู่อมอมนะคะแล้วก็ตัวเฟซบุ๊กเองเนี่ย ล่าสุดมีรายงานจากอินโฟเมชันนะคะของเฟซบุ๊กเนี่ยมีแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาว่าการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกของอินสตาแกรมแล้วก็วอตส์แอพโดยเฉพาะชื่อที่แสดงในแอปสโตร์แล้วก็เพลย์สโตร์ที่เอาไว้ดาวน์โหลดต่อท้ายนะคะจะมีคำว่าฟอร์มเฟซบุ๊กเข้าไปเหมือนเป็นเจ้าครอบเจ้าของอ่อะเออนะคะแล้วก็เจ้าตัวอินสตาแกรมฟอร์มเฟซบุ๊กเนี่ยแล้วก็วอตส์แอพฟอร์มเฟซบุ๊กจะมีการสอบถามไปยังเฟซบุ๊กนะคะตัวแทนก็เลยยืนยันมาว่าการเปลี่ยนแปลงอันนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนมาก ย, ยิ่งขึ้นนะคะว่าบริการเหล่านี้เป็นของเฟซบุ๊กนะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเพิ่มคำว่าฟอร์มเฟซบุ๊กเข้าไปแล้วจะมีผลดีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็คือต้องรอก่อนให้เขาออกมาใช้เต็มรูปแบบก็คือแค่แค่ตัวดาวโหลดมันขึ้นคำว่าฟอร์มเฟซบุ๊กแค่นั้นแหละต่อเพราะท้ายถ้าเราไ ป, ปดู<า>ท<า>ัาา Facebook, ้งเฟซบุ๊กเรามาแชร์ไปที่ แ, แชร์มาจาก อินสตาแกรมเขาก็จะบอกว่า from อินสตาแกรมเขาก็เลยไม่สนใจนะแต่คนเขาไม่ได้สนใจแต่ถามว่าในการเก็บข้อมูลน่ะของทางเฟซบุ๊กเองน่ะตอนนี้เขาพยายามแบบปรับบางอย่างให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่เกะกะสายตาแต่บางอย่างเขาก็ยังเก็บข้อมูลเราอยู่ค่ะเก็บอยู่แน่นอนนะคะเดี๋ยวในเรื่องราวอันนี้เนี่ยก็มาอัปเดตครั้งหน้าละกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือว่าฟีเจอร์อะไรใหม่ๆที่ออกมาใหม่หรือเปล่าในสัปดาห์หน้า นั่นเองนะคะวันนี้ My Computer หมอเวลาแล้วนะคะดาริศาต ร, ตรกบุญเงครอมด้วยคุณปิยะพงเกนธาวัยค่ะต้องลาไปแล้วนะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสำหรับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโรยีราชั่วโมงคลทัญญาบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUT moving towards Innovative University